จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ฝ่ายธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่สิตุลาคมพุทธศักราชส5งพเป็นวันพระเป็นวันธรรมสวนะัะเป็นวันฝังธรรมเป็นวันที่สาธุชน ได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาเติมบุญเติมกุศลที่เป็นเหมือนน้ำมันวนยนของจิตใจจิตใจเราอย่างต้องเดินทางไปอยู่เรื่อยๆจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางถ้าขาดน้ำมันถ้าขาด บ, บุญขาดกุศลก็จะไม่สามารถ เดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได้รถยนต์ก็เช่นเดียวกันถ้าไม่เติมน้ำมันให้รถยนต์อย่างต่อเนื่องถ้าน้ำมันหมดรถยนต์ก็จะไม่สามารถพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางได้ใจของเราก็ต้องคอยเติมน้ำมันอยู่เรื่อยๆเยช่นอย่างน้อยก็ทุกวันพระ เพราะพระุทธเจ้าทรงกำหนดวันพระ ข, ขึ้นมาก็เพื่อให้ญาติโยมได้ปล่อยวางภารกิจการงานต่างๆแล้วก็มาทำภารกิจทางจิตใจคือมาเติมบุญเติมกุศลเติมน้ำมันให้แก่จิตใจเพราะถ้าไม่คอยเติมบุญเติมกุศลใจจะไม่สามารถ เดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางที่พวกเราทุกคนอยากจะไปกันก็คือไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆไปสู่พระนิพพานที่เป็นจุดหมายปลายทางของพวกเราถ้าพวกเราไม่เติมน้ามันรถก็จะไม่มีกำลังที่จะพาเราไปสู่สวรรค์ไปสู่พระนิพพานได้ พระสวรรค์กับพระนิพพานนี่เป็นเหมือนอยู่บนยอดเขาถ้าเราไม่มีน้ำมันรถก็จะไม่มีกำลังที่จะวิ่งขึ้นไปบนยอดเขาได้รถก็จะไหลลงมาสู่ตีนเขาตีนเขาก็คืออบายนี่เองอบายก็คือที่อยู่ของเดลฉานของเปรตของผีของนรก ถ้าเราไม่หมั่นเตมมิตมบุญเติมกุศลอยู่เรื่อยๆใจของเราก็จะไหลลงสู่อาบายไปตามลำดับดังนั้นเราอย่าประมาทควรรีบจรัดเติมน้ํามันอยู่เรื่อยๆในขณนะที่เรามีโอกาสที่จะทําได้เช่นมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วย ไม่ชราภาพมีกำลังทรัพย์ที่จะพอทำทานได้ก็ควรที่จะทำกันทำจากน้อยไปหามากเรื่องต้นกระทำในวันพระก่อนแล้วต่อมาก็ทำเพิ่มขึ้นจากวันพระเป็นวันก่อนวันพระวันหลังวันพระแล้วต่อไปก็จะทำได้ทุกวัน ถ้าทำได้ทุกวันแล้วก็จะมีน้ำมันเหลือเฟือที่จะพาให้เราขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆเช่นสวรรค์ชั้นเทพสวรรค์ชั้นพงและสวรรค์ของพระอริยเจ้าและไปถึงไปสูงสุดที่พระนิพพานเป็นสวรรค์ของพระพุทธเจ้าและของพระอหรหันตสาวกทั้งหลาย เกิดจากการเติมน้ำมันอย่างต่อเนื่องน้ำมันของใจคืออะไรก็คือศรัทธาความเชื่อแล้วก็ทานคือการให้การแบ่งปันแล้วก็ศีลคือการละเว้นจากการทำบาปแล้วก็ภาวนาคือการชาระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ นี่คือน้ำมันของใจถ้าใจได้รับศรัทธาได้รับทานได้รับศีลได้รับภาวนาอยากต่อเนื่องใจก็จะมีกำลังที่จะก้าวขึ้นสู่สวรรค์ชั้นต่างๆจนถึงสวรรค์ชั้นสูงสุดคือขนิี่ผ่านได้ดังนั้นขอให้เรามาสร้างศรัทธากันในวันนี้มาสร้างทานกันในวันนี้ สร้างศีลกันในวันนี้สร้างภาวนากันในวันนี้วิธีที่จะสร้างศรัทธาก็คือให้เราหมั่นศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆศึกษาพระประวัติของพระพุทธเจ้าศึกษาประวัติของพระอรหันตสาวกทั้งหลายเพราะถ้าเราได้ยินได้ฟัง คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆได้ศึกษาพระประวัติของพระพุทธเจ้าได้ศึกษาประวัติของพาอาระอรหันตสาโกอยู่เรื่อยๆก็จะทำให้เรามีศรัทธาความเชื่อที่จะปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าตามพาาระอรหันตสาโกตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เราทาบุญ ละบาจําจละใจให้สะอาดบริส mm ุทธิ์ถ้าเรามีศรัทธาความเชื่อเราก็จะมีวิรยิยะความอุตสาหะความภาคเพียรอย่างวันนี้พวกเรามาวัดกันได้ mm hmm. ก็เพราะว่าเรามีความเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าเรามีความเชื่อในวิถีชีวิตของพระพุทธเจ้า และของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายที่ได้บำเพ็ญทำบำเพ็ญบุญละบาปและชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์มาแล้วและได้รับผลอันเลิศออันประเสริฐคือสวรรค์ชั้นพระนิพพานคือความสุขที่ถาวรที่ไม่มีความทุกข์เป็นการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิด เพราะถ้ายังมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็ยังจะต้องมีความทุกข์อยู่แต่ผู้ที่ไปถึงพระนิพพานแล้วจะไม่มีความทุกข์เพราะว่าจะไม่ไปเกิดอีกต่อไปนั่นเองถ้าเราเหมั่นฟังเทตกฟังธรรมอยู่เรื่อยๆจะทําให้เราเกิดความเชื่อในการทําบุญเกิดการเชื่อในการละ บ, บา เกิดการเชื่อในการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์พอเรามีความเชื่อเราก็จะมีความขยันที่จะทำบุญก็คือการให้ทานทานนี้ก็คือการแบ่งปันสิ่งที่เรามีมากเกินไปเกินต่อความต้องการของชีวิตร่างกายของเราเช่นเรามีทรัพย์มีปัจจัยสี่ มากเกินไปเราก็เอามาแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นอย่าหวงเก็บเอาไว้เพราะว่าไม่เป็นประโยชน์อะไรกับเรานอกจากจะเป็นภาระทางจิตใจที่ทำให้เราต้องคอยกังวลคอยหวงคอยหวงจะทำให้เราไม่สามารถทำบุญได้ ถ้าเราเอามาแบ่งปันมาทำทานใจของเราก็จะได้อาหารได้น้ำมัการทำทานนี้จะทำให้เรามีความสุขใจอิ่มใจพอใจภูมิใจถ้าเราไม่ได้ทำทานเราจะไม่ได้รับความสุขใจอิ่มใจภูมิใจพอใจแต่กลับจะได้รับความหิวความอยาก พอเหมือนกับไม่ได้รับประทานอาหารนั่นเองร่างกายของเราถ้าไม่ได้รับประทานอาหารอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องเกิดความหิวอยากจะรับประทานอาหารอยากจะดื่มน้ำแต่พอร่างกายได้รับประทานอาหารได้ดื่มน้ำอย่างเต็มที่แล้วก็จะไม่เกิดความหิวเกิดความอยากใจก็เช่นเดียวกันถ้าได้ทําทานแล้ว ใจจะได้รับอาหารจะมีความรู้สึกอิ่มรู้สึกพอไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายไม่หิวไม่อยากกับสิ่งต่างๆที่ไม่ใช่เป็นอาหารของใจเช่นอยากได้ลาบอยากได้ยศอยากได้สรรเสริญอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกนิ่งกายต่อให้ได้มามากน้อยเพียงไร ก็จะไม่เกิดความอิ่มใจสุขใจพอใจภูมิใจขึ้นมาเพราะว่าไม่ได้เป็นอาหารของใจแต่เป็นกาหารของความโลภของความอยากได้มาแล้วก็อยากจะได้เพิ่มมากขึ้นไปได้มาร้อยบาทก็อยากจะได้เป็นพันบาทได้เป็นพันบาทก็อยากจะได้เป็นหมื่นได้เป็นหมื่นก็อยากจะได้เป็นแสน อยากจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงร้อยล้านพันล้านก็ยังไม่พออยู่ดีเพราะว่าความพอไม่ได้เกิดจากการได้ลาบยศสรรเสริญได้รูปเสียงกลิก่นลดผลิภัณฑ์ความพอจะเกิดจากการให้เกิดจากการบริจาคแบ่งปันดังนั้นเราอย่าหลงไปกับการ ได้ลาบยศสรรเสริญมาเป็นอันขาดเพราะจะทำให้เรานี้เป็นเปรตไปเปรตก็คือผู้ที่มีความหิวมีความอยากอยู่ตลอดเวลาได้มามากได้มาน้อยเท่าไหร่ก็ไม่มีความอิ่มไม่มีความพอเพราะไม่รู้จักการให้ทานนั่นเองมีแต่อยากจะได้อย่างเดียวได้มาแล้วก็หวง ไม่ให้ไข่ไม่อยากให้ไข่แต่ตายไปก็เอาไปไม่ได้เอาไปได้ก็คือความหิวความอยากนี่แต่ถ้าได้ทำบุญแล้วเวลาตายไปก็จะไปแบบอิ่มไปแบบสุขไปแบบสบายดังนั้นขอให้เราพยายามทำบุญกันให้มากๆเพราะเท่ากับการให้อาหารใจให้กำลังใจ จะทำให้ใจมีกำลังที่จะไม่ทำบาปได้ละบาปได้รักษาศีลได้ถ้าเรายังทำทานไม่ได้เราจะรักษาศีลไม่ได้จะละบาปไม่ได้แต่ถ้าเราทำทานแล้วใจของเราจะไม่ชอบทำบาปเพราะคนทำทานนี้ชอบช่วยเหลือผู้อื่นช่วยให้ความสุขแก่ผู้อื่น พอเราจะทาอะไรที่จะทำให้ผู้อื่นเขาทุกข์เขาเดือดร้อนเช่นการฆ่าการลักทรัพย์การประพฤติผิดตระเวนีการโกหกหลอกลวงการเสพสุรายามางเราก็จะไม่อยากจะทำดังนั้นถ้าเราอยากจะรักษาสิ่งอยากจะละบาปเราต้องทำทานให้ได้ก่อน ต้องแบกภัณต้องเสียสละต้องไม่หวงในทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองขอให้เราคิดว่าตายไปทรัพย์สมบัติเงินทองต่างๆนี้เราเอาไปไม่ได้เลยแม้แต่บาทเดียวเอาไปแต่ความหวงความห่วงเอาไปแต่ความหิวความอยากที่จะส่งให้เราต้องไปเกิดในอบายไปเกิดเป็นเปรต แต่ถ้าเราทำทานอยู่เรื่อยๆแล้วเราก็จะไม่ต้องไปเป็นเปรตอย่างแน่นอนถ้าเราทำทานและรักษาศีลได้เราก็จะไปเป็นเทวดาชั้นต่ตางๆนี่คืออานิสงส์ของการไม่ทำบาปของการรักษาศีลก็คือจะปิดประตูอบายคนที่รักษาศีลได้บริสุทธินี้ตายไปจะไม่ต้องไปเกิดในอบาย ไม่ต้องไปเป็นเดรัมชานไม่ต้องไปเป็นเปรตเป็นผีไม่ต้องไปเป็นสัตว์นรกตายไปแล้วก็จะไปเกิดเป็นเทพชั้นต่างๆนี่คือเหตุผลที่พระพุทธเจ้าส่งสอนให้เราทำทางให้เรารักษาศีลเพื่อที่เราจะได้ขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นเทพแล้วถ้าเราอยากจะขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นคน ที่สูงกว่าชั้นเทพเพระองค์ก็ทรงสอนให้เราชำระใจทาใจให้สงบหยุดความโลภความโกรธความหลงหยุดความอยากชั่วคราวการทําใจให้สงบนี้จะทําให้ความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆที่คอยสร้างความทุกข์ สร้างความวุ่นวายใจนี้สงบตัวลงไปพอใจสงบใจก็จะมีความสุขใจก็จะเป็นสวรรค์ชั้นถมขึ้นมาแล้วถ้าอยากจะขึ้นไปสู่สวรรค์ที่สูงกว่าสวรรค์ชั้นถมก็คือสวรรค์ของพระอริยเจ้าสวรรค์ของพระนิพพานก็ต้อง ปฏิบัติธรรมอีกขั้นเนีง่งก็คือปัญญาต้องสอนใจให้ฉลาดไม่ให้หลงให้รู้ความจริงถ้ารู้ความจริงก็จะไม่หลงถ้าไม่รู้ความจริงก็จะหลงจะเห็นผิดเป็นชอบเห็นโกงจากเป็นดอกบัวเห็นการเวียนว่ายตายเกิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้ามีปัญญา จาเห็นว่าการเวียนว่ายตายเกิดนี้เป็นการเดินเข้าหากองไฟเดินเข้าหากองทุกข์เพราะเมื่อมีการเกิดแล้วย่อมมีการแก่มีการเจ็บมีการตายมีการพลาดพลาจากกันซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากจะพบกันทุกคนเกิดมาแล้วนี่อยากจะไม่แก่อยากไม่เจ็บ อย่างไม่ตายกันทั้งนั้นอย่างไม่พัดลากจากกันแต่ไม่มีใครไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่พัดพราดจากกันพวกเราที่ก่อนมาทุกคนจึงต้องพบกับความทุกข์กันทุกคนและเราก็ไม่รู้สาเหตุที่ทำให้เรามาเกิดว่าเกิดจากอะไรถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงตัดสรู้ก็จะไม่มีวันรู้ได้ แต่พอมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงพบว่าต้นเหตุของการมาเกิดก็คือความอยากต่างๆนี้เองความอยากสามประการด้วยกันคือความอยากในการอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐภะเรียกว่ากามตันหาความอยากมีอยากเป็นเรียกว่าภาวะตันหา และความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเรียกว่าวิภาวะตันหาตันหาทั้งสามนีแหละที่เป็นต้นเหตุของการเวียนว่าตายเกิดที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ของใจพระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้ทรงศึกษาได้วิเคราะห์ด้วยพระ อ, องค์เองและได้ปฏิบัติจนสามารถกําจัด สัญหาทั้งสามได้หมดไปจากพระไทยของพระองค์แล้วพระไทยของพระองค์ก็สะอาดบริสุทธิ์ไม่มีเชื้อของภพชาติอีกต่อไปไม่มีการไปเวียนว่ายตายเกิอดอีกต่อไปไม่มีความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายจากการพัาพราจากกันอีกต่อไป แล้วหลังจากนั้นพระ อ, องค์ก็ทรงนําเอาความรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกอันนี้เรียกว่าปัญญาปัญญาก็คือเหตุรู้ว่าความอยากต่างๆนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจความความไม่สบายใจถ้าอยากจะดับความทุกข์ใจดับความไม่สบายใจก็ต้องดับ ปัญหาทั้งสามคือ ด, คดับความอยากในการมดับความอยากมีอยากเป็นดับความอยากไม่มีอย่างไม่เป็นการที่จะดับได้นี้ใจจะต้องมีสมาธิมีความสงบก่อนถ้าใจไม่สงบจะไม่เห็นว่าความอยากนี้ทำให้เราทุกข์ใจทรมานใจแต่เวลาใจสงบนี้ใจมีความสุข พอเกิดความอยากขึ้นมาจะเห็นว่าความสุขที่ได้จากความสงบนี้หายไปทันทีเป็นเหมือนภูเขาไฟระเบิดขึ้นมาทันทีเวลาภูเขาไฟไม่ระเบิดนี้จะไม่รู้สึกว่าเป็นอันตรายแต่อย่างใดแต่พอภูเขาไฟระเบิดขึ้นมานี้จะเห็นโทษทันทีฉันใดเวลาใจสงบนี้ก็เป็นเหมือน ตอนที่ภูเขาไฟยังไม่ได้ระเบิดจะไม่เห็นโทษเห็นภัยของภูเขาไฟกันแต่พอภูเขาไฟระเบิดขึ้นมาปับ๊บจะเห็นโทษทันทีเลยฉันใดเวลาใจสงบแล้วนี่พอเกิดความอย่างนี้ก็จะเหมือนกับไฟลุกขึ้นมาในใจ ท, ทันทีจะเห็นทันทีเลยว่าเกิดจากความอยาก พอเห็นว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจต่อไปก็จะไม่อยากได้อะไรจะไม่อยากดูไม่อยากฟังไม่อยากเสพกับรูปเสียงกลิ่นโด้นโผฏฐาภะไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากร่ำอยากรวยไม่อยากเป็นใหญ่เป็นโตแล้วก็จะไม่อยากไม่เป็นมันจะแก่ร่างกายจะแก่ก็ให้มันแก่ จะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บจะตายก็ปล่อยมันเจ็บจะต้องพลาดพลาดจากคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ปล่อยมันไปจะไม่เกิดความอยากไม่ให้เกิดขึ้นเพราะไม่อยากจะทุกนั่นเองเพราะเวลาเกิดความอยากไม่แก่ก็จะทุกขึ้นมาอยากไม่เจ็บก็จะทุกขึ้นมาอยากไม่ตายก็จะทุกขึ้นมา อยากไม่พลาดพาดจากกันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมานี่เรียกว่าปัญญาคือเห็นว่าความทุกข์นี้เกิดจากความอยากของเราเองถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องหยุดความอยากให้หมดอย่าทำอะไรด้วยความอยากทำด้วยเหตุผลนี้ไม่ถือว่าเป็นความอยากเช่นไอถึงเวลารับประทานอาหารก็รับประทานอาหาร ถึงเวลาดื่มน้ำก็ดื่มน้ำอย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นความอยากแต่ถ้ายังไม่ถึงเวลาแล้วอยากจะดื่มอยากจะรับประทานอย่างนี้ถึงเรียกว่าเป็นความอยากเพราะการดื่มการรับประทานนี่ควรจะดื่มรับประทานเหมือนกับดื่มยารับประทานยาคือเพื่อไว้ดูแลรักษาร่างกายไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วย รักษาร่างกายให้อยู่ไปจนถึงวัยอันควรอย่างนี้เรียกว่าการดื่มรับประทานด้วยเหตุด้วยผลอย่างนี้ไม่เป็นความอยากเช่นการมาวัดนี้ก็เป็นเหมือนกับการมาให้ยากับจิตใจการมาวัดนี้ก็ไม่ได้ว่าเป็นความอยากมาเพราะเป็นหน้าที่นิเป็นเหตุเป็นผลเป็นความจำเป็นจะต้องทำ เพราะถ้าเราไม่มาวัดเราก็จะไม่ได้มาเติมยาเติมอาหารเติมน้ำให้กับใจนั่นเองไม่ได้มาเติมบุตรกุศลดังนั้นการมาวัดจึงไม่ได้เป็นความอยากความอยากนี้มีเพียงสามสามชนิดเท่านั้นคือความอยากหาความสุขทานตาหูจมูกลิ้นกาย เช่นอยากไปเที่ยวอยากไปชอปปิ้งอยากจะไปดูหนังฟังเพลงอยากจะไปร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้อย่างนี้เรียกว่าการมากปัญหาความอยากในกลางความอยากนี้เราต้องตัดไปอยาไปทำมันไม่เป็นประโยชน์เป็นโทษเป็นความสุขเดียวเดียวแล้วก็ปล่อยให้ความทุกข์ตามมา เพราะเวลาไม่ได้เสพเวลาอยากแล้วไม่ได้เสพจะทุกข์มากเช่นเวลาอยากจะไปเที่ยวไม่ได้ไปเที่ยวก็จะทุกข์เวลาอยากจะดื่มอยากจะรับประทานไม่ได้ดื่มไม่ได้รับประทานก็จะทุกข์แต่ถ้าเราไม่มีความอยากแล้วจะไม่รู้สึกเดือดร้อนเวลาเห็นอะไรก็จะไม่รู้สึกอยากได้อยากดื่มอยากรับประทานถ้าจะดื่มจะรับประทานก็ ต้องมีเหตุมีผลต้องถึงเวลาก่อนถึงจะดื่มถึงจะรับประทานอย่างนั้นขอให้เรามาทําใจให้สงบก่อนถ้าใจไม่สงบแล้วเราหยุดความอยากไม่ได้เพราะเราจะไม่เห็นโทษของความอยากเราจะเห็นเราจะเห็นว่าการทําตามความอยากนี้ทําให้เรามีความสุขกันเราจึงละความอยากกันไม่ได้ ทุกวันนี้เราทุกข์กับความอยากแต่เราไม่รู้กันเวลาไม่มีกาแฟไม่มีเครื่องดื่มนี่ทำยังไงวุ่นกันใหญ่เลยต้องไปหากาแฟหาเครื่องดื่มมาดื่มกันให้ได้เวลาไม่ได้อยู่ใกล้กับแฟนก็วุ่นกันใหญ่เลยคิดถึงแฟนอยากอยู่ใกล้แฟนกันอันนี้เป็นต้นเหตุของความอยากต้นเหตุของความทุกข์นถ้าไม่มีความอยากแนละ้ว แฟนจะอยู่หรือไม่อยู่จะไม่เดือดร้อนจะมีกาแฟดื่มหรือไม่มีกาแฟดื่มจะไม่เดือดร้อนแต่อย่างใดนะดังนั้นถ้าเราอยากจะเห็นโทษของความอยากเราต้องมาทำใจให้สงบให้ได้ก่อนวิธีทาใจให้สงบก็ต้องควบคุมความคิดอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปื่อยให้ใจคิดอยู่กับเรื่องเดียวเช่นคิดอยู่กับคาว่าพุโทโธพุโทโธไป ต้องพุดโทพุโทโธไปแล้วจะคิดเรื่องอื่นไม่ได้พอคิดเรื่องอื่นไม่ได้ก็จะไม่มีความอยากถ้าเผลอปล่อยให้คิดเดี๋ยวพอคิดถึงขนมก็อยากจะรับประทานคิดถึงอาหารก็อยากจะรับประทานคิดถึงกาแฟคิดถึงเครื่องดื่มต่างๆก็อยากจะดื่มขึ้นมาดังนั้นเราอย่าปล่อยให้ใจคิดถึงเรื่องราวต่างๆ ให้คิดอยู่กับคำว่าพุโทโธพุธโทโธไปหรือจะให้คิดอยู่กับบทสวดมนต์ก็ได้คิดบทคิดอยู่กับอรหังสัมมาสวาคาโตสุปฏิปันโนไปถ้าคิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆใจก็จะไม่มีโอกาสที่จะไปคิดถึงสิ่งต่างๆความอยากต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นมาใจก็จะสงบ พอใจสงบแล้วก็จะมีความอิ่มไม่มีความอยากไม่มีความหิวไม่มีความต้องการอะไรแต่เวลาใจเผลอไม่พุโทโธก็ใจเกิดความอยากขึ้นมาพอเกิดความอยากก็จะเห็นเลยว่าใจนี้รุ่มร้อนขึ้นมาแล้วใจนี้วุ่นวายขึ้นมาแล้วก็จะเห็นโทษของความอยากก็จะสามารถละความอาได้ พอไม่อยากได้ปั๊บความสงบก็จะกลับคืนมาความอิ่มความพอก็จะกลับคืนมานี่คือวิธีของการที่เราจะชาระใจให้สะอาดกำจัดความอยากต่างๆกำจัดความโลภความโกรธความหลงต่างๆให้หมดไปจากใจพอใจไม่มีความอยากไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงแล้ว ใจก็จะมีแต่ความเย็นความสบายมีแต่ความอิ่มมีแต่ความพอจะไม่เดือดร้อนกับความแก่กับความเจ็บกับความตายจะไม่เดือดร้อนกับการพราดพลาดจากกันนี่แหละคือน้ำมันที่จะพาให้เราไปถึงพระนิพพานพาให้เราไปสวรรค์ชั้นต่างๆพาให้เราไปสู่ การยุติของการเวียนว่ายตายเกิดพาให้เราไปสู่ความสุขที่ถาวรเกิดจากการเติมน้ามันทุกวันพระเติมบุญเติมกุศลทุกวันพระด้วยการทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการฟังเทศฟังธรรมด้วยการปฏิบัตินั่งสมาธิและเจริญปัญญาถ้าทาอย่างนี้ไปเรื่อย น่าทาเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆไม่ช้าก็เร็วภายในชาตินี้เราก็จะสามารถไปถึงพระนิพพานได้เหมือนกับพระสาวกทั้งหลายที่ได้ไปถึงแล้วถ้าเราไม่ทําให้เสร็จภายในชาตินี้ชาติหน้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่นี้อาจจะไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนพวกเราถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระพุทธศาสนา เราก็จะไม่รู้ว่าต้นการเติมน้ามันให้กับจิตใจนี้เติมอย่างไรและมีความสาคัญอย่างไรเราก็จะไม่สามารถที่จะไปสู่สวรรค์ชั้นสูงสุดได้ดังนั้นชาตินี้เป็นชาติที่วิเศษเป็นโอกาสที่ดีที่เลิศที่นานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่ง นานๆที่เราจะได้มาเกิดมาพบกับพระพุทธศาสนาสักครั้งหนึ่งเราจึงควรรีบตักตวงโอกาสนี้อย่าปล่อยให้มันผ่านไปทุกเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะบรรลุนั่งผลนิพพานได้ด้วยกันทุกคนถ้าเรามีศรัทธาความเชื่อมีวิรยิยะความอุตสาหะความภาคเปลี่ยนที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนคือทำบุญละบา ละชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ดังนั้นขอให้พวกเราจงพยายามสร้างศรัท ธ, ธาให้เกิดขึ้นให้มากๆเพื่อเราจะได้มีกำนังจิตกำลังใจที่จะปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงผลอันเลิศอันประเสริฐที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุดติ